ทีนี้ท่านอะธิบายเลยนะว่าที่ประหานะประหานะอภิชาด้วยอนัพิชานะาะอนัพิชาเนี่ยเป็นตัวละเป็นตัวละอภิชาตรงนี้มองไม่ค่อยไดะโลพะเนี่ยนะเป็นตัวที่เข้าไปละอภิชาถ้าเกิดโลพะเฉยๆไม่ถือว่าเป็นอภิชาคือโลพาเกิดเฉยๆเนี่ยนะ คือไม่ครบองค์แห่งอภิชาที่เป็นกรรมบทเพราะว่าไม่ครบองค์เมื่อไม่ครบองค์ก็มีอย่างหนึ่งเนี่ยององที่หนึ่งเท่านั้นก็ถือว่าเป็นอภิชาเหมือนกันยกตัวอย่างนะพระนาคามีมีโลภะเนี่ยนะขณะนั้นก็ชื่อว่าอภิชาแต่ว่าไม่ครบองค์เพราะท่านไม่ได้คิดน้อมมาเลยหรือว่าท่านมีฌานเป็นอารมณ์ก็ก็คือยินดีในฌานเฉยๆอันนั้นก็เรียกว่าอภิชาเหมือนกันเนี่ยนะเพราะอภิชาในสติปัฏฐานเนี่ยไงเพราะว่า ถ้าเจริญสติปัฏฐานก็จะไม่มีอภิชาและโทมนัดในอารมณ์นั้นนใช่ไหมเขาบอกว่าสุขสมมนัดอันใดที่อาศัยการมนั่นเป็นคุณของกามเพราะฉะนั้นถ้าไม um right? ่ม <p> ีสุข <precision> น bon ัไม่มีใครติดหรอกแสดงว่าอภิชานี่นะฮะถ้าเมื่อเกิดแล้วไม่ครบองค์นะฮะเป็นแต่เพียงโลภะเฉยๆขณะนั้นก็ให้ผลในประวัติการแล้วสามารถให้ผลในประวัติการได้สามารถให้ผลในประวัติการแล้วจะผลในประวัติการเธอจะให้หรือไม่ให้เนี่ยนะ มันอยู่ที่กาลคติอุปธิประโยคะแต่ว่าเหตุอันนี้ได้สร้างไว้แล้ ว, ลวถ้าได้ปัจจัยเขาจะให้ผลเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าทุกขณะจิตนั้นเป็นกรรมหมดแล้วมีผลหมดมันก็เถอะมีผลหมดก็เพราะมันไม่ครบองอะ่ะสองอย่างอย่างเดียวนะั้นมันก็ให้ผลซะแล้วสา ม, มารถให้ผลในประวัติการได้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าจิตในชวนาจิตทุกดวงเป็นเจตนากรรมมีผลเจริญผานนะั่นเอง เพราะว่าถ้ากรรมสกตานี้เนี่ยทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าอบายเนี่ยเจงมากว่าสัตว์เนี่ยไปสู่อบายแล้วนะเจงกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยยากเห็นไหมเรียกนะว่าบาปกรรมมันซ้ําไปเรื่อ ย, เ ร, อยเรื่อยเนี่ยนะบาปที่มีอยู่ในอดีตด้วยแล้วก็กรรมปัจจุบันของสัตว์ น, น, นั้นด้วยมันก็ซ้ําเติมอยู่นั่นแหละที่จะกลับคืนมาสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยเจงยากเนื่องจากเหตุผลคือความคิดเนี่ยมันเป็นไปกับกุศลเนี่ยยาก ที่จริงแล้วชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายนี่ที่อยู่ได้ดํารงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะผลของอะไรเป็นผลของกุศลนะที่เรียกว่าภวังนะี่นะผวังนี่เป็นผลของบุญแต่ที่นี่เราใช้ผลของบุญถ้าเกือบลืมเนี่ยนะนะก็เลยนึกว่าเอ๊ะเหมือนกับไม่ได้อยู่ด้วยผลของบุญน่ะนะเหมือนว่าอยู่ด้วยด้วยโลภะหรือเหมือนว่านึกว่าอยู่ด้วยโทสะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าผวังมันทํากิจจุติปั๊บเนี่ยนะมันก็หมดเท่านั้นเองโลภะก็ไม่มีอาศาัยเกิด มโนโทวารเนี่ยพุทธพจน์จึงกล่าวว่าอาศัยมโนธรรมะมโนโวิญญาณจึงเกิดและอยู่กับอาศัยผวังแท้เลยซึ่งผวังเองก็ไม่รู้ว่าจะเส้นสุดเมือ่อไรนี่ในขณะเดียวกันไอ้มโนโวิญญาณที่เกิดใหม่ๆเมนี่นะศาสต์ทั้งหลายไม่ค่อยสังวรว่าเป็นกรรมเนี่ยนะเมื่อไม่เห็นว่าเป็นกรรมก็ไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่จะต้องรักษาอะไรเนี่ยนะไม่เลยเลยไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกอบรมอะไรเนี่ยนะเมื่อไม่อบรม โดยมากแล้วเนี่ยนะธรรมะคืออารมณ์ที่เขาคิดส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นธรรมะธรรมารมที่น่าปรารถนาก็เป็นอารมณ์ของโลภะถ้าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็เป็นอารมณ์ของโทสะนถ้าเป็นอารมณ์ทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโมหะทีนี้เจตนากรรมเหล่านั้นก็เกิดขึ้นอ่ะเพระั้นโลภะโทสะโมหะก็เป็นอุปนิสัยให้เจตนากรรมเกิดขึ้นเมื่อเจตนากรรมเหล่านั้นเกิดขึ้น ทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมก็มีเจตนาบางอย่างเป็นอุปชาเวทนียกรรมก็มีเจตนาบางอย่างเป็นอัปราราปริยเวทนียกรรมก็มีเมื่อเจตนาเนี่ยนะสามารถให้ผลในลักษณะนี้แล้วพระองค์จึงแสดงให้เห็นว่ามโนสันเจตนาหาเนี่ยเหมือนกับบุรุษสองคนที่จับไปโยนในหลุมฐานเพลนเจตนานี่น่ากลัวแบบนั้นอันผู้ที่เห็นหรือว่าเจริญ มโนสันเจตนาหารหรือคิดเรื่องกรรมมากๆเนี่ยนะผู้นั้นก็เท่ากับกําหนด ร, รู้ภพสามได้เห็นไหมกำหนด ร, รู้ภพสามได้อันพระองค์สอนวิปัสนาเน้นเฉพาะมโนสันเจตนาหารเนี่ยยกขึ้นมาเป็นเด่นเลยนะเนี่ยยกขึ้นมาเด่นพิเศษเลยว่าถ้ารู้มโนสันเจตนาหารก็จะเท่ากับกําหนด ร, รู้ภพสามได้นไหมอันเจตานานั้นเป็นเป็นธรรมะที่น่าสนใจมาก เพราะฉะนั้นเจตนาหก้าเจริญพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะจะมีเจตนาหกใช่หมเจตนาหกมีอะไรบ้างเรียกว่ารูปประสานเจตนานอะรูปประสานเจตนาสัทธาสันเจตนาคันทะสันเจตนาราสะสันเจตนาแล้วก็โพธภาสันเจตนา ธรรมสันเจตนาทีนี้เจตนาอันนี้เนี่ยนะถ้าล่วงเป็นกายเรียกว่ากายสันเจตนาแปล่งเป็นวาจาเรียกว่าวจีสันเจตนาที่มีสีเป็นอารมณ์นีมีสีเป็นอารมณ์เป็นกายสันเจตนาก็มีวจีสันเจตนาก็มีมโนสันเจตนาก็มีนะสีเป็นอารมณ์อย่างเดียวนีแล้วเจตนาเหล่านั้นบางเจตนาบางอย่างก็เป็นไปกับโลภะเจตนาบางอย่างก็เป็นไปกับ โสะเจตนาบางอย่างก็เป็นไปกับโมหะเจตนาบางอย่างก็เป็นไปกับกุศลทานกุศลสีและกุศลสมถากุศลวิปัสสนากุศลเป็นต้นเจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะในขณะที่เขาเกิดขึ้นทำจิตตะชูปที่เรียกว่ากายสันเจตนาละเมิดมาทางกายวาจีสันเจตนาเป็นคาพูดออกมาทีนี้เจตนาเหล่านั้นเมื่อดับไป เขาก็ถ้าเขาหนักหนาสาหัดเขาเรียกว่าคาุกรรมถ้าเขามีกำลังมากนะเป็นคาุกรรมถ้าเจตนาประเภทนั้นเกิดบ่อยๆเรียกว่าพหุลกรรมหรืออาจินกรรมถ้าเจตนาแบบนั้นเกิดใกล้ตายที่มีกำลังมากเลยใกล้ตายเรียกว่าอาสันนกรรมเจตนาเหล่านั้นถ้าให้ผลนำเกิดเรียกว่าชนากกรรม ทีนี้ถ้าเขาไม่ให้ให้น้ำเกิดหัแต่เขาไปช่วยที่เกิดแล้วเนี่ยนะไปอุปธรรมไว้เป็นอุปธรรมภกะกรรมหรือถ้าเขาไปเบียดเบียนก็เป็นอุปปีรกะกรรมหรือไปตัดเลยเข้าไปตัดกรรมเลยอุปคาตกรรมน่คืออนุภาพของเจตนาอันถ้ากาหนดรู้เจตนาดีๆก็เท่ากับกาหนดรู้วิบากและกะรรมมาชโลกหมดแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเจตนาเหล่านี้เนี่ยนะคือพบเป็นปัจจัยแก่ชาปเนี่ยนะ พบเป็นปัจจัยแก่ชาติจะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาเพ่งทั้งหมดเลยเั็นไหเสร็จแล้วก็อย่างลงอริยสัจใช่ไหมตัณหาในการก่อนเป็นเหตุให้เจตนาเหล่านี้เกิดเป็นสมุทัยสัตเห็นคือํรรมาตัณหาในการก่อนเนี่ยนะทำให้เจตนาเกิดเนี่ยหมายความว่าเจตนาเหล่านี้เนี่ยนะเขาอาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัย อาศัยภาษะเป็นต้นนะนะซึ่งภาษะเป็นต้นก็อยู่ในกายนี้กายนี้ก็เกิดจากตัณหาเพราะฉะนั้นเอเจตนาอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผลของตัณหาทีนี้ถ้าจะละตัณหาละที่ไหนล่ะอก็ที่เจตนานั่นแหละถ้าจะละก็ละเจตนาละได้ยังไงเออใช้คําว่าละนะเมื่อกี้ใช้คําว่าละถ้าจะละตัณหาละที่เจตนาเนี่ยละยังไงใช้คําว่าละนะแปลเป็นบาลีดิ นกบาลีแปลว่าประหานะประหานะมีห้าอย่างหนึ่งตะทังข้าประหารสองวิคัมพนะประหารสามสมุเฉทข้าประหารสี่ปฏิปัสสาทิประหารห้านิสรณะประหารเอ๊ะตทังข้าประหารเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอายกตัวอย่างมาว่าถ้าประหารไอเจตนาที่มีรูปเป็นอารมณ์เนี่ย ปหารรูประสันเจตนาเนี่ยประหารยังไงประหารพักๆอ่ะที่ว่าเนี่ยนะนั่ะ เ, เอาเรื่องสีมาเติกมากๆอันนี้ก็เป็นตะทางข้ประหารหรือทานากุศลก็เป็นตะทางข้ประหารนนีวิปัสนากุศลเนี่ยนะทำปริญญาสามในเจตนาก็เป็นตทางข้าพนาตนทางคะการเจริญกุศ ล, ลเจตนาให้มากๆเพื่อเบียดอกุศลเจตนาไม่ให้เกิดอันนั้นเป็น วิขำพนะประหารถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นก็เป็นสมุทเฉทประหารอริยผลตามมาก็เป็นปฏิปสัทย์ประหารนิพพานที่เป็นอารมณ์ของมรรคผลเป็นนิสนาณะประหารเนี่ยนะก็ทําประหานะในเจตนาเหล่านั้นๆเขาบอกว่าผลเนี่ยก็คือสงบระงับคืออริยผลเนี่ยสงบระงับเนี่ยนะประหานะโดยความสงบระงับละ ปฏิปสัสสติส่วนนิพพานก็คือเป็นธรรมะที่สลัดออกจากวตัตถะที่เป็นปฏิสัตติปฏิปสัตติเนี่ยหมายความว่าเป็นเชื่อของผ ล, ลจิตผ ล, ลจิตเลยใช่ไหมเจริญพเรื่องของผลแจิตเลยคือเครียกว่าละโดยการสงบระงับท่านใช้ปฏิปัสสตินี่แปลว่าสงบระงับส่วนนิพพานนั้นสลัดออกเ น, นี่ยถ้าเข้าใจสมุทเฉทะก็ใช้ได้แล้วนะ จัตอนในเจ้าแล้วเพราะะั้นเจตนานี้แค่ ด, ดูนะปานาติบาทนี้องค์ทาได้แก่อะไรอ่าวิตินีจจนเจตนาเทวปานาติบาทนี่นะเจตนานะเป็นเหตุฆ่า เจตนานะถ้ารู้เรื่องเจตนาดีนะจะรู้ว่าเจตนาเนี่ยเป็นสามารถเป็นชั่วได้คือปาณาติบาตอธินาทานการเมสุมิจฉาจารย์มุสาวาตปิสุณาวาจาพฤุสวาจาสัมผับปลาปะนะเจตนาทางกายกรรมวจีกรรมเนี่ยเป็นเจตนานะเจตนาที่เป็นเหตุให้ทุศีลเหล่านั้นนนั้เป็นเจตนาที่เป็นเจตนาทุศีลถ้าเจตนาที่เว้นจากความชั่วเหล่านั้นเป็นเจตนาศีลเหมือนกัน แล้วเจตนาศีลเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเข้าเกิดขึ้นเนี่ยถทะลวงมาทางกายเรียกว่ากายะประโยคะล่วงทางวาจาเรียกว่าวาจีประโยคะทีนี้ประโยชคะเหล่านี้เนี่ยนะเป็นการทํากรรมใหม่ด้วยเนี่ยนะเอากรศัพท์สิบสองมาวิจัยด้วยแล้วกรรมเหล่านี้จะให้ผลให้ผลเมื่อไหร่สามกา ร, าการทีนี้เราก็มาเทียบเคียงว่าเอ อ, อดีตเหตุมีไหมเนี่ยนะเพื่อให้วิบากอันนี้เกิดขึ้น เช่นจักครูวิญญาณที่เห็นเนี่ยนะเป็นผลของเจตนาประเภทปานาติบาตให้ผลเนี่ยนะเป็นยังไงให้ผลให้เห็นคนอายุสนะเห็นะเช่นจักครูวิญญาณเห็นผลเห็นคนตายเห็นอะไรเป็นต้นเนี่ยนะนี่เป็นผลของประเภทปานาติบาตอย่างเบาเมื่อกี้ที่บอกว่าละอาพิชาด้วยอนัพิชานะทีนี้เวรมณีและเจตนา เนี่ยนะเวรมณีคือเว้นจากอภิชาใช่ไหม เ, เมื่อกี้ที่บอกว่าละอภิชาด้วยอนาภิชานะานทีนี้เวรมณีและเจตนาเนี่ยนะเวรมณีคือเว้นจากอภิชาใช่ไหมถ้าเจตนาก็คือเจตนาที่เป็นข้าศึกต่ออภิชาเนี่ยนะได้แก่สัมปยุตรธรรมที่เกิดร่วมกับอนาภิชานั่นเองเห็นไหม เอศีลศีลมีห้าอย่างใช่ไหมที่เรากำลังพูดถึงคือ 1. ปหาณะศีลสองเวรามณีศีล 3. เจตนาศีล 4. สังวร 5. อวีติกมะเมื่อกี้บอกว่าปหาณะคือการละเนี่ยนะละอภิชาเนี่ยธรรมะที่เป็นตัวละอภิชาได้แก่อนาภิชาคืออโลพะนั่นเองทีนี้เวรามณีกับเจตนานั้นได้แก่ เวรมณีคือวีระตีนั่นเองหรือว่าเจตนาที่สัมปยุติกับอนัพิชานั่นเองเนี่ยนะเป็นธรรมะที่สัมปยุติกับอโลภะส่วนสังวรกับอาวีติกมะเนี่ยนะได้แก่ธรรมทั้งหลายที่มีอันนี้อนัพิชาเป็นต้นนั่นแหละเป็นประธานสัมปยุตธรรมที่เหลือเว้นจากเว้นจากปหานะเว้นจากเวรมณีเว้นจากเจตนานะ ประเภทนั้นแหละเรียกว่าสังวรเรียกว่าอาวีติกมะอันนี้ผู้ตามดีกาต่อไปนะว่าปหานะพยาบาทปหานะพยาบาทด้วยด้วยอะไรละพยาบาทต้องละด้วยอะไรอพยาปาทะเนี่ยนะส่วนเวรมณีเจตนาสังวร อ, อวีติกมะก็คือสัมปยุตธรรมกับ อพยาปาทะนั่นเองส่วนปหาณ ะ, ะมิจชาทิฐิก็ละด้วยมิชาทิฏฐิต้องละด้วยสัมมาทิฐิเนี่ยนะเวระมณีเจตนาสังวรอวีติกรมะก็คือธรรมะที่เกิดร่วมกับสัมมาทิฐินั่นแหละเย้ไนะเพราะฉะนั้นปปหาะนะศีลเวรมณีศีลเจตนาศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลที่เป็นไปกับกรรมบด 10ประการเนี่ยนะศีลทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งแห่งจิตใช่ไหมศีลทั้งหมดเลยนะทั้ง5้าอย่างที่เป็นไปกับภูศลกรรมบทเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนจิตเป็นไปเพื่อปราโมทเป็นไปเพื่อปีติเป็นไปเพื่อปัสสัทธิเป็นไปเพื่อสุขสมานัตเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นลักษณะของศีลสิกขาจะเป็นไปในลักษณะนี้ แล้วก็เป็นไปเพื่อการเสพโดยเอื้อเฟื้อก็คือสมาธินั่นเองเนี่ยนะเกื้อกูลต่อการเจริญจิตตสิกขาเนี่ยนะเป็นไปเพื่อภาวนาพระหุลีกรรมะทาให้มากเป็นไปเพื่อเป็นเครื่องประดับเป็นบริขารและเป็นบริวารเป็นความบริบูรณ์อันนี้เป็นลักษณะของอธิจิตตสิกขาหรือสัมมาสมาธิเป็นไปเพื่อความเบื่หน่ายโดยส่วนเดียวอันนี้เป็นวิปัสสนาเนี่ยนะ เป็นไปเพื่อวิราคะวิราคะเป็นชื่อของมรคนิโรธาอุปสมะเป็นชื่อของพระนิพพานอภิญญาและสำโพธะเป็นชื่อของอริยมรรคและก็นิพพานก็นิพพานตรงตัวเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ก็สามารถประชุมลงสิกขา3าได้เนี่ยนะทั้งอธิศีลสิกขาอาธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาอันนี้เกี่ยวกับกรรมบท10นะ ทีนี้ต่อไปอุปจาระฌานาาเจ็ดธรรมะเหล่านี้ควรทรงจําให้ได้เพื่อว่าจะได้เจริญพุทธคุณบทว่าตถาคตเนี่ยนะคำว่าตถาคตเนี่ยนะอาศัยพุทธธรรมะเหล่านี้ไปเจริญนะตะถาคตข้อที่ว่าเสด็จไปอย่างนั้นเห็นไหมเช่นว่าเสด็จไปด้วยการละกามฉันทะด้วยเนี่ยธรรมะอันนี้ก็เป็นบทคําว่าตถาคตสับหนึ่งว่าเสด็จไปอย่างนั้น ก็บอกว่าการมฉันทะเนี่ยนะละการมาฉันทะด้วยเนคข ม, มะหมายถึงกุศลจิตตุบาทที่มีอะโลภะเป็นประธานที่อันเป็นค่าศึกต่อการมฉันทะเนี่ยนะบางแห่งเขาบอกว่าเนคข ม, มะคือกุศลธรรมทั้งหมดชื่อว่าเนคข ม, มะบางในก็อธิบายว่าอะโลภะนั่นเองเป็นเนคข ม, มะงนั้นอะโลภะนี้ ที่เป็นปฏิบัติต่อการมาฉันทะได้แก่อโลภาที่เจริญอสุภาสัญญาเพราะว่าอันนี้เป็นอุปจาระฉันส่วนคำว่าปะหานะอันนี้ได้แก่กุศลจิตตุบา ท, ที่มีอโลภาเป็นประธานนะทั้งกุศลจิตทั้งหมดนั่นแหละส่วนความไม่พยาบาทความไม่พยาบาท ที่ว่าละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องอัพยาปาทะหรือเมตานั่นเองเป็นเมตตาฌานน่ะนะเป็นไปกเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเมตานี้เป็นปฏิปักิต่อพยาบาทเห็นะที่เมตตาในลักษณะนี้แหละเป็นเบื้องต้นของการเจริญฌานกุศลใช่เจริญฌานในเรื่องของเมตตาใครเคยเจริญมั่งอัพยาปโชโหติ แปลว่าอะไรขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยพยาบาทก็คืออย่าได้โกรธกันเลยอ่ะนะอย่าให้สัตว์ทั้งหลายโกรธกันเลยอ่ะเคยคิดลักษณะนี้ไหมใครคิดนั่นแหละเป็นลักษณะของอับพยาปาทะอย่าได้โกรธกันและกันเลยคล้ายๆกับพ่อแม่ที่ลูกกําลังทะเลาะ ก, กันนะคือจิตว่าเออลูกหลานอย่าได้ทะเลาะ ก, กันเลยอ่ะนะลักษณะความคิดอันเนี้ยที่คิดบ่อยๆมากๆคิดเป็นแพรไปนในสัตว์ทั้งหมดอ่ะ ลักษณะนี้เรียกว่าอัพพยาปาทะอันนี้ก็เป็นศีลเพราะว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงพันถ้าพูดถึงความไม่พยาบาทอันนี้ก็เป็นชื่อของเมตตาแต่นี้ถ้าใช้คำว่าเมตตาและกว้างขวางใช่ไหมสามารถกว้างไปจนถึงระดับอุปจารสมาธิได้เนี่ยนะก็เป็นอุปจาระฌาน